ให้เสียงออฟังธรรมตอนเช้าฟัางธรรมตอนเย็นกลางวันปฏิบัติตประกอบการกระทำเราได้ยินในสิ่งที่เราได้ทำเราได้ทําในสิ่งที่เราได้ยินมีนการศึกษา แ้่ได้ยินแล้วไม่ออกไปทำก็ไม่ใช่มีการศึกษาสิกขางศึกษาสิกขาไม่ใช่เรียนรู้กรรมาฐานไม่ใช่บทเรียนรู้ทั่วๆไปใครๆก็รู้ได้ในโลกนี้รู้ว่าดีว่าไม่ดีรู้ว่าทุก ว่าไม่ทุกขรู้ว่าสุกใครก็รู้จงทั้งที่รู้ก็เป็นทุกข์ทั้งทั้งที่รู้ก็มีก่อนเบียดเบียนตนเองและคนอื่นว่าสิ่งใดไม่ดีก็รู้สิ่งใดดีก็รู้แต่ว่าคนมีความรู้ทมชั่วเยอะแยะก็มีมากมาย ภาคปฏิบัติไม่ใช่ภาคเรียนรู้เป็นภาคที่ทําให้มันเป็นเอาสิ่งที่เราได้ยินไปทําให้เป็นเจ้เวลามันหลงให้หลงให้รู้ขนาดที่มันหลงนจึงจะเรียกว่าปฏิบัติธรรมถ้าเวลามันหลงไม่มีความรู้สึกตัวไม่ใช่ปฏิบัติธรรม มาเล่นกับตัวเองใเฉยให้หลงเป็นหลงร่อยไปให้ทุกข์เป็นทุกข์ร่อยไปให้สุขเป็นสุขร่อยไปเอากายเอาใจไปรับใช้ความสุขควงทุกข์ร่อยไปเอาตาเอาหูเอาจมกูกเล่นกายใจประลับใช้ความสุขความทุกข์ร่อยไปนันก็เป็นเช่นนั้นวนเวียนอยู่ จะเป็นเช่นนั้นแล้วว่ามีชลามรณะมีการเกิดเจ็บเจ็บตายเรายังต้องปฏิบัติเพียงแต่ว่าเวลามันหลงรู้สึกตัวนี่คือเหตุนี่คือปัจจัยอ่ามันจะเกิดเลยขึ้นไม่ต้องไปประเมิน ทำเหตุแต่มันดีเวลามันหลงรู้เวลามันทุกรู้เวลามันสุกรู้เวลามันผิดรู้เวลามันถกรู้เวลามันสงบรู้เวลามันพุ่งซ้านก็รู้อย่างนี้นม่นหลักเดียวเอาความหลงเป็นความหลงให้ความทุกข์เป็นความทุกข์นั่นไม่ ไม่ใช่เรียนไม่ใช่ศึกษาศึกษาคือจะหลงย่อยย่อยออกอัเขาจะหลงแรกก้อนเห็นเอาจะหลงออกมาเป็นแรกเหล็กสิ่งที่ไม่ใช่เหล็กเขาออกไปก็จะเอาเหล็ก กองทุกให้บรรลุให้มันเป็นความรู้สาะแต่หลงแล้วก็วสุขให้มันเป็นความรู้สึกตัวสะวาะก็โกรธให้มันเป็นความรู้สึกตัวสาะอ่อยก็ตามให้เป็นความรู้สึกตัวทําให้มันเป็นอย่างนี้ได้ <c oughs> เ, เวลามันมีความรู้สึกตัว เรืสุขไม่ใช่สุขเป็นสุขไม่ใช่ทุกเป็นทุกท่าทุกสุขเป็นความรู้สึกตัวมันก็รับความชั่วถ้ามีความทุกข์เป็นความรู้สึกตัวมันก็มีการทําความดีถ้ามีสติก็รับความชั่วรู้สึกตัวก็ทําความดี ถ้ามีความรู้สึกตัวก็จิตใจก็บกริสุทธิ์กลายเป็นศีลกลายเป็นสมาธิกลายเป็นปัญญามาช่วยเรานั่เป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาก็เป็นองค์ประกอบเป็นองค์มรรคขึ้นมาเห็นถูกพูดถูกทําถูกคิดถูก การงานถูกความภาคเพียรถูกต้องสติไว้ถูกตั้งใจไว้ถูกเป็นเป็นกองทัพแห่งความดีเป็นทิษฎีที่เกิดอะไรอีงมากมายอันหลักมันก็อยู่ตรงนี้ เกิดจากความรู้สึกตัวเข้าไปมันจะเป็นไปเองเมื่อเหมือนเกิดองมากขึ้นมาตั้งแต่ต้นจนถึงที่สุดจนชิดชอบจนตั้งใจไปชอบมากร้ะความชั่วมันก็ทำความดีที่เป็นการกระทำทั้งหมด ยอมสำเร็จจบลงได้อาเมที่จบยอมหลงก็จบลงตะบัดนี้ยอมโ ก, กม้ก็จบลงไปวามทุกก็จบลงไปไม่ต้องมีต่อไปไม่จะเกิดเลยขึ้นไปสืบกันดู ในภาคปฏิบัติอย่างพระพุทธเจ้า <c oughs> ได้ตัดออกจากพระโอษของพระองค์ในวันตัดสลูเป็นเดือนหกก่อนพุทธศุกร์สื่เพปีว่าชาติชิ่นแล้ว พอมาจันทร์จบแล้วจิตอื่นที่ต้องทำไม่มีอีกแล้วจบเป็นเช่นนี้สุดที่สุดแล้วไม่มีอะไรทำอีกต่อไปแล้วจากนั้นพองก็คิดถึงคนอื่น โอดไม่รนทนมาได้ต้องไปบอกคนอื่นให้เขามาลู้เรื่องนี้ตอนที่ลู้เรื่องนี้เรือพระพุทธเจ้าพุทธโธออกไปสอนคนอื่นลู่ตามเรียกว่าสัมมาสัมพุทธโธมีพิสูจ์ได้แล้วมีผู้เห็นด้วยเกิดขึ้นอีกสอนเรื่องนี้เรื่องเดียว ตแต่วันเพนเดินแปดหลังจากการตัดสู้วันเพนเดิน 6, หกมาแสดงมาสอนในวันเพนเดินแปดหลังจากตัดสู้ไปในกีเดือนเหรอเดินหกถึงวันแปดสองเดือนเหรออัน <laughs> นับเอา ตามพุทธประบัติต้นๆแล้วก็ของตาก็ได้ไปติดตามเรื่องนี้ตามแผนที่เดินตามเจะรอยของพระบาทในการกระทำเรื่องนี้หลายรอบแล้วหกเจ็ดรอบแล้ว หลังจากแสดงธรรมการเป็นเดือนแดไปถึงวันเป็นเดือนสามจีเดือนนับดูสอนเรื่องนี้จีเดือนเหเป็นเดือนแดถึงเป็นเดือนสามของปีใหม่จีเดือนนับดูเกิดพระอรหันต์ขึ้นมาในโลกหนึ่งฟัน สองรห้าสิบรูปเ <c> ร <oughs> ียกว่าสัมมาสัมพุทโธมีผู้รู้ตามเรื่องตอน้นต้นสอนเท่านี้เมื่อมีคนมีความรู้มากขึนจากเจ้าพ่อชายจากเ จ, กจติฐีขณะบอดีก่อนทุกจนหนดร้ยก็ มาศึกษาก็เป็นคนดีก็ จ, จังบางและเบียบวินัยขึ้นทีหลังปฏิบัติก่อนป ร, ริยัตทีหลังเดี๋ยวนี้เราป ร, ริยัตก่อนปฏิบัติไม่มีเลยเรียนลูกกันมากในหัวในรั่วมหาวิลาย่ากมาแต่ไม่ค่อยมีปฏิบัติ ยังมีปัญหากานแล้วกันอยู่ในภายในเกดแปดเตือนเนี่ยพระหานเกิดขึ้นหนังวันสองรอห้าสิบลูกใครจะพิสูจน์เร่องนี้ในหูชาวพุททั่วโลกในพระ สูตรเรื่องนี้พระพุทธเจ้าก็ท่าทายมากสติปัฏฐานสูตรปาาตเป็นสูตรตันเองหมายเลขหนึ่งเอกะมะโขวิสุทธิยาเป็นทางหมายเลขเต็งที่ไปถึงจนหมายปลายทางก่อนอื่นเลยถ้เป็นทางก็เป็นฟรีเวย ไม่มีในโลกไหนตอนพีเบเห็นจะอยู่ในสหรัอเมริกานอนแล้วก็มีไฮเว่ยพบเวทูเวประเทศไทยเระเบียไฮเว่ยทูเวใช่มไหมถามไม่รู้แต่ว่าเห็นเขาเขียนไว้บนถนนไปกรุงเทพ เออีเวไม่เห็นมีเราเมันต่างกันยังไงฟีเวเนี่ไม่มีรถตันเตือนวิ่งมีแต่รถนั่งเพื่อไปทางานรถโดยสารรถบรรทุกวิ่งด้วยไม่ได้มีแต่รถเก๋งรถตั้งของส่วนตัวสิบนาทีก็สิบนาทีจากที่อยู่ถึงที่ทางานไม่มี ไม่มีอะไรขวางหน้าแม้แต่เส้นทางที่วิ่งเป็นชั่วโมงก็ไม่มีอะไรขวางเจ้งกวงมากมายในป่าในข้างทางเขาทำต่อ่ายล่องไว้สูงสี่ห้าเมตรนนอะไรวิ่งผ่านไม่ได้จะให้ผ่านเป็นช่วงเหนป้ายก็เขียนรูปวางวิ่งผ่าน แล้วก็ระมัดระวังเิดหน่อยองค์มากเนี้ยฟเเี่เบนี่หนึ่งวันทั้งเจ็ดวันเกิดพระอรหันต์ขึ้นมาได้หนึ่งเดือนทั้งเจ็ดเดือนเกิดเป็นพระอหันต์ได้หนึ่งปีทั้งเก็ดปีเกิดเป็นพระอหันต์ได้อย่างช้า เรามีใครพิสูจนตรงนี้ในประเทศไทยก็ใครยังมีปัญหาเรื่องกายเรื่องใจมีทุกข์มีความโกรธยังมีความทุกข์จากการเกิดมีความทุกข์การเจียมีความทุกข์การเจ็บมีความทุกข์จากการตายอย่าประมาทแต่แน่นอนที่สุดชีวิตของเรา ต้องต้องต้องมีเรื่องนี้แน่นอนเราไม่ความทุกข์เป็นบ้านหน้าเราก็มีความทุกข์อย่างเอาแล้วตามชะไหนาการตามที่สุดแต่งกองทุก์ทั้งชิ้งจะปรากฏชัดเจรเราได้รูปก็เป็นทุกข์เวทนาก็เป็นทุกข์สัญญาเป็นทุกข์สังขารเป็นทุกข์วิญญาณเป็นทุกข์ จำแนกออกดังที่เราสลายสาธิยายพระโสดุ์หรือว่าทวัดสวดมนต์และเป็นการมองตนถ้าเราศึกษามันก็เวทนาไม่เป็นทุกข์ตัณหาไม่เป็นทุกข์สังขารไม่เป็นทุกข์วิญญาณไม่เป็นทุกข์ เพราะอะไรเพราะมันเห็นง่ายเป็นตะ ก, ก่อนเวทนาสุขก็เป็นสุกวันนี้เห็นเวทนาสักว่าเวทนาไปใช่สัตว์ปุกลตัวตอนเราขอไม่มีใครไปสุขไปทุกข์ในเวทนาก็เลยบอกไปว่าสาปฏิบัติก็เห็นมัน มันหลงเห็นมันหลงเนี่ยมันก็แยกทางกันแล้วมันทุกข์เห็นมันทุกข์ไม่เป็นผู้ทุกข์มันโกรธเห็นมันโกรธไม่เป็นลูกโกรธมีค่าอะไรสาหรับความทุกข์ความโกรธความหลงไม่มีค่าต้นตอแห่งปัญหาคือหลงความหลงความรู้ ก็แยกตรงนี้ง่ายๆวออหลงองภายเกิดชาติชลามรละเจเจ็บตายควมรู้สึกตัว ก, ก็ไม่มีเินพบช้นชาติเรื่องนี้ถ้าว่าชาติเช้นแล้วผมไม่จันอยู่จบแล้วกิตอื่นต้องทำไม่มีอีกแล้ว ว่าโดยย่อความยืดมั่นถือมั่นว่าตัวว่าตนเห็นกายไม่เป็นกายเห็นกายเป็นกูเป็นตนกูเจ็บกูร้อนกูหนาวกูได้กูเสียกูผิดกูถูกกูเจงกูไม่เก่งเป็นตนอยู่ในกายอะไรที่เกิดออกก า, ายเป็นตนทั้งหมดเอากายมาเป็นตัวเป็นตน พอมาเห็นแล้วมีสติสักว่าเสร็จแล้วกายสักว่ากายไม่ใช่จัตุคลตัวตนเราเขาสุขทุกข์เขาเรียกว่าเวทนาก็สักว่าเวทนาไม่ใช่จัตุคุณโตตนเราเขาคิดที่มันเิียดนนอญเชนี่ <c oughs> อันเดียก็หอบพิวเราไปเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นสุขความคิดเป็นทุกข์กวกความคิด ตั้งๆที่ทมันมีใครทำอะไรจิตขึ้นมานอนแล้วหลับคิดขึ้นมาเกินเข้าไปลงคิดขึ้นมาน้ำตาไหลคิดขึ้นมาหั้เราไหลเมื่อเรามีสะิเห็นจิตสว่าจิตไม่ใช่จบุคคลตัวตนโลาโอ มันจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวนี้เรามีตัวเป็นตนเต็มไปหมดแปด0 0ืนสี่พเรื่องกิเลสพั 1, 500, นหน้าตหนาร้อยแปดมันเกิดจากความหลงถ้าให้ความรู้ก็จบเท่านั้นไม่ยากเพราะว่ามีสติไปก่อน เราทำอะไรคมีเหตุมีผลเราจะปูกข้าวไปเอาต้นก้าต้นหญ้าเล็กๆไปปลูกพให้ต้นก้าหลักของต้นก้าลงสู่ดินมีน้ำมีดินพอสมควรพอต้นก้าจะงามได้ต้นก้าต้นหญ้ากลายเป็น มาเป็นผลเป็นเม็ดเป็นอาหารกินได้ก็อย่าไปต้องทำอะไรอย่าไปให้ความอยากทำให้มันดีไม่ใช่ว่าทำอะไรลงไปกูจะได้กูจะเสียไม่ใช่นะัก ทำงานนักทำงานก็มีการกระทำให้บันดีไม่อาอารมณ์เข้าไปเกี่ยวข้องถ้าจะดีก็ทำดีถ้าจะร้ายก็ทำร้ายไม่ใช่นักทางานนี่คือการกระทำของเราไม่ใช่เอาความคิด ไปเกี่ยวข้องเหตุผลไปเกี่ยวข้องแต่ก็มีเหตุมีผลพอกยกมือสร้างวอาเอ๊ะมาจะได้ประโยชน์อะไรบางคนงอต้เถียงก็หลงตาบอกว่ายกมือสร้างจังว่าก็ชิดถึงโลกแล้วสังเกตดูตามีตายงหม่ เห็นลูกในโลกสองคนกำลังตกหลุมพลังความคิดคิดถึงสามีคิดถึงลูกสองคนเมื่อมานางยกมือสร้างจมาัมบะก็ไม่ได้ทำด้วยความรู้สึกตัวไม่แต่ความคิด มันเป็นใหญ่มันนอนเนืองในสมองนานๆเพศเด็กสามีถูกอุบัติเหตุตายมันก็คุณคิดแต่ลมที่คุณคิดนั้นไม่มีการเสืออ่องสาประมาทความเพียนยกมือชากจังหวถก็ถไม่แต่ความคิดลุกเข้ามาหลงตาหนูมีลูกสองคน จะมายกมือสร้างจังหวะหนูจะเลี้ยงลูกได้หรือเปล่าแล้วก็ชืี้ไป็นโดนสามีของหนูก็ตายไปหมใหม่สามีของหนูเป็นคนดีมากๆากเอามาตายไปหนูก็มีลูกสองคนหนูเป็นโคลจะเลี้ยงลูกไหวไหมจะเลี้ยงลูกได้ไหมจะนั่งยกมือสร้างจังหวะ จะเลี้ยงลูกได้หรือเปล่ามาคิดเรื่องลูกไม่ใช่มาสร้างสติเขาบอกว่าเวลานี้เรามามีสติไม่ใช่มาคิดถึงลูกถึงสามีมันคิดไปก็กลับมารู้สึกตัวมานี่ว่ากรรมฐานจากความหลงคิดที่เป็นคิดถึงสามีคิดถึงลูกกลับมารู้สมัมมาทํำ เหตุบรนตรงเล็กอร่อยความคิดอย่างนี้ย่มบีจิตใจของเรามันก็ไม่ไม่ถูกเพราะเราเราจาังเปื่หัดไม่ใช่ไม่คิดหนาะเหตุนะผลใครๆก็มีเหตุมีผลเหตุประมาชจ ะ, จะทัจะทรมันต้องหน่วยเหตุเนอะผล เช่นความทุกข์เช่นความไม่ทุกข์อะไรมันดีกว่ากันไม่ใช่ไปถามคนอื่นงั้นหลงกับรู้อะไรมันถูกอะไรเป็นธรรมแราจเหตุผลสัมผัสออกจากการกระทมนั่นเองระหว่างหลงระหว่างรู้ระหว่างทุกข์ระหว่างรู้ อะไรก็ตามให้ความรู้สึกตัวก็้าไปเกี่ยวข้องนี่ความรอบรองว่าความหลงไม่ถูกต้องความรู้สึกตัวถูกต้องความโกรธไม่ถูกต้องความรู้สึกตัวถูกต้องตามหลงไม่ความอะไรต่างๆปัญหาต่างๆความลักควาจังให้ถูกต้อง คุ้มรอยคุ้มดีกลางคืนเป็นควรกลางวันเป็นไปไอยม่จฉเหตุม่จฉผลหานะคำตอบจากความคิดอาจจะไม่ถูกเสมอไปคำตอบบางทีไม่ต้องคิดตามไปก่อนมันจะเฉลยไปเองเราคิดจากกาถามวันนี้ เราไม่ต้องถามก็ได้ให้ทําไปก่อนสิ่งที่เราคิดจะกระถามมันจะอาจจะไม่ต้องถามเลยเพราะมันเห็นกับตัวแท้ๆไม่มีคำถามไม่จะคำตอบเราตัวเองตอบว่าเองคนอื่นตอบให้ไม่ถูกต้อง ไม่จะจะทำไม่มีคำถามในสิงที่เราจะถามพอสร้างตรีไปก็ไม่มีสิ่งที่ถามแล้วือนที่หลวงตาพูดเมื่อคืนเมื่อวานตอนเย็นคำถามเขาตั้งได้สามคนให้ถามพอหลวงตาเทศแสงไปแสงถามไปประมาณหนึง่งชั่วโมง คนที่ตั้งคำถามก็ไม่ต้องถามมาล้งตาพูดไปจบแล้วนั่นก็เป็นคำพูดของคนอื่นแต่ถ้าเราเกิดกาถามให้มันเกิดขึ้นกับตัวเราแล้วอชัดเจนขนาดไหนสุกทุกขมันจักต่ว่าเป็นอาการตัวาำหนาเป็นอาการของกาย ความหิวความปวดความเมื่อยเป็นการของกายไม่ใช่ตนจากแต่ว่าแต่ก่อนเอาสุขทุกข์กับกายก็วมาเห็นจากแต่ว่าไม่มีค่าเลยจืดไปเลยสุขทุกข์ก็ไม่มีค่าหลงไม่มีค่ามีแต่รู้ไปมันตัดเป็นตัดกรรมจำแนกไปศักดิ์สิทธ กรรมฐานี่เป็นเรื่องศักดิ์สิทธิ์ใครมีกรรมมีทุกอะไรมามาใสเตือนสติมันจะตัดเว้นตัดกรรมแบ่งไม่ต้องเอาความทุกข์มาอวดมาอ้างกันก็อให้มาใช่ช่นนี้เราจะเป็นเพื่อนไม่ใช่เป็นกูอจาย์ของข่ายจะเป็นเพื่อนอย่างดี จะไม่พาหลงทิศหลงทางในเรื่องนี้แน่นอนตอรับผิดชอบในพระธรรมคำสอนของพระเจ้าไม่มากแต่เริ่มต้นตรงนี้ท่านจะไปได้เองใ้คุณเจ้าเจ่สโซให้มันหลุดไปเอง ถ้าหลงเป็นหลงสุกเป็นสุกทุกข์เป็นทุกข์ยังไม่โซ่หวีตัวนยังเกิดเจ็บเจ็ตายกันอยู่ย <c oughs> ้าหลงเป็นรู้ทุกข์เป็นรู้ลอยก็ตามให้เป็นรู้ความรู้สึกตัวตัวยแจ้โซ่หลุดตกจากหลักไปได้อิสระได้ เราจึงต้องอาศัยใครไปได้ปฏิบัติด้วยตนเองถ <c oughs> ้ามีปัญญาลักกันก็ช่วยแม่ได้ว่อแม่ลักลูกลูกลักพ่อลักแม่ช่วยไม่ได้ต้องช่วยตัวเองดูแลตัวเองให้ดีปฏิบัติธรรมคือดูแลตัวเองให้ดีๆอย่าปล่อยปะแล้วเลยให้เป็นทุกขเป็นทุกข์ มันก็ดูแลไาว่าแต่เรามีสติเป็นเจ้าของกายเป็นเจ้าของจิตใจมันจะคิดไปไหนไมันจะสุ ข, ขงางไาดูเห็นไม่มีใครเห็นกับเรา <c oughs> มีเสียงไหมเนี่ย <c oughs> ตัวเองพูดไปพูดไปก็ไม่ค่อยได้ยินเสียงงอนวอก อย่ามาบออาศัยเรานะหมดสภาพแล้วหมดสภาพแล้วอาศัยตัวเองนะปัจจิตตังพรเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกความว่าทั้งประถมความสอนผู้จะศึกษาปฏิบัติต้องทำด้วยตนเองให้ผลได้ไปจำกัดการถ้ามันหลงกนเวลาไหนลู้ได้เวลานั้น มันโกรดเวลาไหนรู้ได้เวลาดานยาวความหนุ่มความสาวความเท่าความเจ๋อมาอ้างเจ็บปวดมาอ้างว่ามีเวนมีภายไม่ก ร, รมอะไรมาไม่เกี่ยวคอยหมาตั้งต้นต้องในาการปฏิบัติได้ผลได้ไม่จำกัดการชวนให้มาดู มาดูมาดูปวกมือให้มามาดูมาดูกายมาดูเวทนามาดูจิตต้งเรามาดูมาดูยกมือขึ้นรู้สึกตัวใช่ได้แล้วมีหน่อโพธิแล้วถ้ามันชิดไปรู้สึกตัวเรียกว่าใช่ได้แล้วมาดูมาดูมาทำตรงนี้ดูเป็นอัจจันย์เป็นอจจจันต์ การทำการสอนเป็นอัศจารย์ผู้ปฏิบัติย่อมรู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมที่ควรควรู้คนเห็นตาม ท, ท้งควรแใจผู้ปฏิบัติไปทำไม่รู้ก็ไล่ความหลงไปแต่ใครในรามันหลงรู้ได้ความรู้ไปให้มันมากขึ้นมากขึ้นเป็นมหาลู่ จากวิชากรรมฐานพิสูจน์ได้วยสิบสี่จังหวะไม่ใช่นั่งคิดให้รู้เฉยๆต้องประกอบส ต, ติจะเกิดขึ้นเพราะการประกอบเมื่อมาไห้เขารู้สึกตัวตะแคงรู้สึกตัวยกมือขึ้นรู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัว รู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวโล้สึกรู้สึรู้เาะในสิบสี่วินาทีมันไม่มากได้ยังไงไม่มีอะไรที่จะได้ผลมากเท่าการจเจริญสติตามไล่ทํานาทําอะไรต้องเสี่ยง ท่วมก็ไปได้ถ้าแรงก็ไม่ได้ข้าขายก็เสี่ยงปลูกอ้อยปลูกมันก็เชี่ยงราคาเป็นยังไงขาดทุนกันอันนี้ไม่เสี่ยงเลยทันทีปัจจัดตังทันทีอีกเมือ่อเคลืนก็ลู่ได้ทันทีไม่มีอะไรมาลอยกเมือ่อเคลืนก็ลู่ทันทีเนี่ยมันไม่น่าจะ ผิดพลาดตรงนี้แต่ถ้ามีสติถ้ามีสติก็ไม่มีอะไรเลยเวลาทำความเพียรประกอบสติก็อาจจะหลงมันสลักเข้ามานั่งยกเบอร์อยู่ด้คิดไปโลดที่ไหนสระ บ, บุรีบบง้อไปสระบ <laughs> หาคนรักหาคนชอบบิ่งไป มันไปแล้กลับมาปฏิบัติคือกลับมาไม่ใช่ไปกลับมาอาชีพอะไรก็ตามกลับมาหลัวหัวเลาะความคิดตัวเองได้แต่กอ่อนไม่หัวเลาะความคิดได้ทําคิดอะไรน่าปวดบางคนปฏิบัติทำน่าปวดปวดมันก็ไปทุกข์หนอกช่างขี่คอมามันต้องยิ่งแย่ยแกงใสนักปฏิบัติอมยิ้มไป ขอรูความทุกข <member birthday S 2> <stigma S 1> ์ขอลูความสุขขอรูความคิดขอรู้ความยากขอรูความง่ายอย่าให้ความยากเป็นยากความง่ายเป็นง่ายความผิดเป็นเผดความถูกเป็นถูกให้เห็นมันเห็นอย่าเป็นให้เห็นอย่าไปเป็นมันสุกเห็นมันสุกมันหนักมันทุกข์เห็นมันทุกข์เนี่ยนี่แน่นอนเห็นอย่าเป็นถ้าเป็นสุกถ้าเป็นทุกข์ ถือว่าไม่เข้าเส้นทางออกเข้าดงเข้าปา่าถ้าเห็นเน่ยง่ายง่ายถ้าเป็นยากใช่ไหมเมื่อเราเดินทางอ่ไปเหยียบป่าแล้วก็อยากถ้าเหยียบบนเส้นทางง่ายถ้าเป็นหล่ายากถ้าเห็น ง, ง่ายง่ายเบาเบาเบามือเาอาจะเยี่ยมเยี่มแจ่มใส แต่ก่อนน้าบุตรนาเบิง่งนักมาพอเห็นก็แบบเห็นเห็นอาการที่เกี่ยวกับเจ็กเหาเหมือนพระหรหันบางโลกเห็นทุกหนะเห็นอันประเสริเห็นความผิดเห็นอย่างประเสริฐเก็บริมผิวปากทุงท่าเป็นบัดเป็นร้อนๆอนเนาวน่าสองวัน าการไปเมืองจีนเต็ม พ, พี่ปากบวมขึ้นมาคนแก่สุขภาพไม่แข็งแรงเอาละวันนี้ก็สมควรเจเวลากราบพระองค์กัน